วิธีสร้างอำนาจจิตตอนที่สี่คนที่สามารถพูดให้คนอื่นเชื่อและทําตามได้หรือเมื่อขอร้องหรือต้องการให้คนอื่นทําอะไรเขาเป็นต้องทําตามเสมอขัดไม่ได้คนประเภทนี้ก็คือคนที่มีอำนาจจิตเหนือคนอื่นและนี่ก็คือตัวอย่างธรรมดาที่เราพบเห็น หรือเป็นการอยู่เสมอในชีวิตประจำวันความสามารถเช่นนี้ดูเหมือนไม่ต้องฝึกฝนอะไรเป็นพิเศษใครๆก็มีได้แต่ถ้าการมีอำนาจจิตเหนือคนอื่นมีผลเพียงเท่านี้ก็ไม่จำเป็นอะไรที่จะต้องนำมาชี้แจงเพราะใครๆก็รู้ว่าจะทำอย่างไรจึงมีความสามารถเช่นนั้น แต่ที่ข้าพเจ้านำเรื่องนี้มากล่าวนั้นก็เพราะใครๆก็อยากจะมีอำนาจจิตเหนือคนอื่นในทุกกรณีที่ต้องการเช่นคนขายของเมื่อเสนอขายของอะไรให้กับใครลูกค้าเป็นต้องซื้อเสมอแม้ว่าราคาจะแพงกว่าปกติก็ขัดไม่ได้ชายหนุม่มหรือหญิงสาวเมื่อรักใคร ก็อยากให้คนนั้นรักตนและสนองตามความต้องการของตนทุกครั้งถ้าไปกู้เงินของเงินหรือยืมเงินของใครก็ขอให้เขายินยอมทุกครั้งแม้จะไม่มีหลักทรัพย์ประกันหรือเพิ่งจะรู้จักก็ต้องการให้เขาไม่กล้าขัดอย่างนี้เป็นต้นคนที่ต้องการจะฝึกฝนให้มีอำนาจจิตเหนือคนอื่น ก็เพื่อหวังผลเช่นนี้หรือบางคนหวังมากไปกว่านี้อีกเช่นต้องการจะสะกดจิตคนอื่นให้ทำตามคำสั่งได้ทุกอย่างหรือต้องการใช้อำนาจจิตแสดงอิทธิปาฏิหาริย์ต่างๆหรือรักษาโรคกำจัดเหตุร้ายโดยที่สุดต้องการทำลายล้างศัตรูซึ่งเขาเชื่อว่า สามารถจะทำได้โดยอาศัยอำนาจจิตความจริงอำนาจจิตเป็นสิ่งที่มีประโยชน์มากมายจริงๆถ้าหากเราสามารถฝึกฝนให้มีพลังสูงได้มาตรฐานเพราะเรื่องอภิญญาต่างๆในพุทธศาสนาเช่นเรื่องอิทธิวิธีทิพยสูตเจโตปริยญาณจุตูปปาตญาณหรือทิพยจักษุ ภูเพนิวาสารุสติยานอาสวัคข ย, ยานยานเหล่านี้เกิดจากอำนาจจิตทั้งสิน้นแต่อย่างไรก็ดีการที่จะฝึกฝนให้มีอำนาจจิตสูงได้จริงๆไม่ใช่ของง่ายเพราะจิตเป็นนามธรรมซึ่งย่อมต้องมีกฎเกณฑ์ในทางนามธรรมมากมายเหมือนเรื่องของวัตถุ ซึ่งคนที่จะสามารถบังคับวัตถุให้เป็นไปตามความต้องการหรือสร้างสรรวัตถุขึ้นมาตามความต้องการนั้นจะต้องรู้กฎเกณฑ์ธรรมชาติของวัตถุโดยละเอียดแจ่มแจ้งจึงจะทำได้ในเรื่องจิตก็เช่นเดียวกันอย่าไปเข้าใจว่าใครๆก็ทำได้หรือจะไปบังคับจิตของคนอื่นเอาดื้อ โดยทำไม่ถูกหลักเกณฑ์นั้นย่อมเป็นไปไม่ได้อย่าลืมว่าจิตก็มีโครงสร้างของมันเพราะฉะนั้นในการที่จะสร้างอำนาจจิตให้เกิดขึ้นจึงขึ้นอยู่กับการสร้างคุณสมบัติต่างๆของจิตให้อยู่เหนือจิตของคนอื่นจึงจะเป็นผลสำเร็จอันที่จริงการที่จะสร้างคุณสมบัติทางจิตใจ เพื่อให้มีพลังหรืออำนาจเหนือคนอื่นนั้นก็พเจ้าเคยที่บายมาบ้างแล้วในหนังสือวิญญาณฉบับก่อ น, อนเป็นแต่ยังไม่ได้ธิบายโดยละเอียดฉะนั้นสำหรับในตอนนี้จะได้หยิบอหัวข้อบางประการที่เคยกล่าวถึงมาแล้วมาอธิบายอีกเพื่อให้เข้าใจโดยละเอียดถี่ถ้วนยิ่งขึ้นและก่อนอื่น โปรดระ ล, ลึกไว้เสมอว่าหลากยานในการสร้างอำนาจจิตหรือพลังจิตให้กับตนนั้นมีอยู่ในเรื่องเวสารกชกรลนธรรมห้าบารมีสิบซึ่งหัวข้อเหล่านี้ได้เคยกล่าวถึงมาแล้วนอกจากนี้ก็ยังมีธรรมหมวดอื่นๆอีกเช่นเรื่องภละห้าคือศรัทธาวิรยิยาสติ สมาธิบัญญาและอิทธิบาตสี่คือฉันทะวิริยะจิตตะวิบงังสาการที่พระเจ้านำทำเหล่านี้มาอ้างก็เพื่อต้องการจใจผู้อื่นจำหัวข้อได้ง่ายและมีหลักในการคิดที่ถูกต้องซึ่งจะทำให้การฝึกฝนได้ผลแน่นอนและต้องการจะให้ผู้อ่านได้สำนึกว่า วิธีการสร้างอำนาจจิตนั้นไม่จำเป็นต้องไปศึกษากับใครที่ไหนหรือศึกษาจากตำราเล่มไหนอีกแล้วเพราะพระพุทธเจ้าได้เป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไปแล้วว่าเป็นผู้ที่มีอำนาจจิตเหนือใครๆทั้งหมดทั้งในหมู่มนุษย์และเทวดาทั้งหลายในสากลจั ก, กรวาลเพราะฉะนั้นวิธีการของพระพุทธองค์ จึงต้องประเสริฐกว่าของใครๆทั้งหมดด้วยเหตุนี้ข้าพเจ้าจึงได้หาหลักธรรมของพระพุทธองค์มาแสดงอย่างน้อยก็เพื่อว่าท่านทั้งหลายจะได้แน่ใจว่าสิ่งที่ข้าพเจ้านำมาอธิบายนั้นเป็นหลักธรรมของพระพุทธเจ้าจริงๆเวสารัชาการณธรรมแปลว่าธรรมที่ทําให้กล้าหมายความว่า ใครก็ตามถ้ามีคุณธรรมทั้งห้าประการนี้แล้วผู้นั้นย่อมจะต้องเป็นคนกล้าหาญและอย่าลืมว่าคนที่จะมีอำนาจจิตเหนือคนอื่นได้จริงๆนั้นจะต้องเป็นคนกล้าไม่กลัวใครไม่กลัวสิ่งใดขอได้โปรดพิจารณาตัวอย่างธรรมชาติสรายหนึ่งบางทีจะทําให้เข้าใจความหมายในเรื่องนี้ดีขึ้นเช่น สนัขหรือสัตว์อะไรก็ตามที่เคยเป็นอาหารของเสือมาแล้วเมื่อพบเสือมันก็จะตกตัลื่นทันทีและบางทีก็ถึงกับขาอ่อนวิ่งไปไหนไม่ได้เลยล้มพับอยู่กับที่ตรงนั้นและที่น่าประหลาดก็คือสัตว์ที่เคยเป็นอาหารของเสือนานแม้มันจะไม่เคยรู้จักไม่เคยพบเสือมาก่อน เพราะเป็นสัตว์เลี้ยงอยู่แต่ในบ้านถึงกระนั้นครั้งแรกทันทีที่มันพบมันจะแสดงอาการกลัวอย่างสุดขีดออกมาทันทีไม่เชื่อก็ลองนําสุนัขที่ท่านเลี้ยงเอาไว้ไปใกล้กรงเสือในสวนสัตว์ทันทีที่มันได้กลิ่นหรือเห็นเท่านั้นโดยสัญชาตญาณสุนัข ก, ก็จะเกิดอาการกลัวขึ้นมาฉับพลัน ทา้งทางที่เสือก็อยู่เฉยเฉยหรือบางทีเสือนอนหลับเสียด้วยซ้ำถึงะนั้นสุนัขนั้นก็ยังกลัวอยู่นั่นเองทำไมจึงเป็นเช่นนี้ถ้าท่านเข้าใจดีว่าสุนัขทั้งหลายแต่เดิมก็เป็นสัตว์ป่าและเคยตกเป็นเหยื่อของเสือมานับชาติไม่ท้วนอาการกลัวอย่างสุดขีดที่ฝังลึกลงไปในสันดานแต่ละครั้ง ในขณะที่มันถูกเสือจับกินนั้นมันไม่ได้สูญสิ้นไปพร้อมกับความตายแต่มันมีวิบากสืบต่อกันเรื่อยมาทุกชาติโดยทางวิญญาณและนี่แหละคือที่มาของความกลัวที่เป็นสัญชาตญาณซึ่งมีมาแต่กําเนิดจากตัวอย่างที่กล่าวมานี้ซึ่งแม้จะดูเป็นเรื่องที่เหลือเชื่อก็ตาม แต่ก็ขอได้โปรดพิจารณาดูบ้างแล้วจะทาให้ท่านเข้าใจว่าทำไมคนบางคนจึงมีอำนาจจิตเหนือคนอื่นได้ง่ายมากทั้งๆ ท, ที่ไม่ได้ฝึกฝนอะไรเป็นพิเศษเช่นคนบางคนที่มีบุคลิกลักษณะเป็นโจรที่เยี้ยมโหดเห็นได้ชัดมาตั้งแต่เล็กๆหรือคนที่มีบุคลิกลักษณะเป็นนักรบเป็นผู้นำ เป็นนักปราดมาตั้งแต่ยาววัยถ้าเข้าใจบุคลิกลักษณะของเสือว่าทำไมมันจึงทำให้สัตว์อื่นๆแม้กระทั่งคนกลัวมันได้ซึ่งลักษณะที่ว่านี้มีมาตั้งแต่กำเนิดท่านก็จะเข้าใจว่าทำไมบุคคลที่กล่าวมานี้จึงทำให้คนอื่นกลัวเกรงและเชื่อฟังได้ง่ายขอให้นึกถึงหลักที่เคยกล่าวมาแล้วว่า ทุกอย่างในร่างกายเกิดจากวิญญาณลักษณะทางร่างกายก็คือการแสดงออกแห่งลักษณะของจิตใจนั่นเองเพราะฉะนั้นถ้าคนไหนมีคุณลักษณะทางจิตใจเข้มข้นลักษณะทางร่างกายก็จะแสดงออกมาชัดและก็อย่าลืมว่าซื่อในการติดต่อระหว่างจิตของตนกับของคนอื่นนั้น ไม่ใช่มีเฉพาะคำพูดเท่านั้นกิริยาท่าทางน้ำเสียงท่วงทีวาจาบุคลิกลนะักษณะรวมทั้งพลังจิตที่แสดงออกมาในรูปของรังสีซึ่งตาธรรมดามองไม่เห็นนั้นสิ่งเหล่านี้ก็เป็นสื่อในการติดต่อระหว่างจิตกับจิตเพราะฉะนั้นถ้าคุณลักษณะเหล่านี้ของใครสูงกว่า คนนั้นก็ย่อมจะมีอำนาจจิตเหนือกว่าการที่จะฝึกฝนให้มีอำนาจจิตเหนือคนอื่นได้จริงๆนั้ น, น, นก็พระเจ้าเคยกล่าวมาแล้วว่าเราต้องมีพื้นมาตั้งแต่กำเนิดบ้างพอสมควรไม่เช่นนั้นจะฝึกได้ยากมากและถ้ามีพื้นมามากก็เป็นการง่ายยิ่งขึ้นแต่คนไหนรู้สึกว่าพื้นไม่ค่อยมี แต่ก็ต้องการจะฝึกก็ฝึกได้เป็นแต่อย่าใจร้อนเพราะมันจะได้ผลอย่างรวดเร็วเป็นไปไม่ได้ขอให้คิดว่าเราสร้างบารามีไปเรื่อยๆก็แล้วกันมันจะได้ผลเมื่อไหร่ก็ช่างมันถ้าหัดเป็นคนใจเย็นอย่างนี้ก็มีหวังว่าสักวันหนึ่งเป็นต้องสมเร็จ คนที่จะมีอำนาจจิตเหนือคนอื่นประการแรกตามหลักในเรื่องเวสารัชกรณธรรมก็คือต้องเป็นคนมีศรัทธาคือมีความเชื่อมั่นในตัวเองและเชื่อในทางที่ถูกเชื่ออย่างมีเหตุผลศรัทธาแก่กล้าเพียงไรอำนาจจิตก็จะมีมากเพียงนั้นคนที่ทำอะไร หรือพูดอะไรไม่ค่อยมีความเชื่อมั่นในสิ่งที่ทำและสิ่งที่พูดเรียกว่าไม่มีความมั่นใจในตนเองคนเช่นนี้มักจะทำอะไรไม่สำเร็จคนที่ขาดศรัทธาในตนเองความกล้าย่อมมีไม่ได้เมื่อไม่มีความกล้าอํานาจจิตในอันที่จะเอาชนะคนอื่นก็ย่อมมีไม่ได้เช่นกัน เมื่อพูดถึงความเชื่อมั่นในตนเองนั้นในบางกรณีทั้งที่เป็นความเชื่อมั่นในทางที่ผิดก็ยังได้ผลก็มีเช่นมีเรื่องเล่าว่าคนสองคนเกิดทะเลาะ ก, กันถึงขนาดใช้ดาบฟาดฟันกันคนหนึ่งอมพระไว้ในปากแต่เพอเอินพระหลุดออกจากปากในขณะที่กำลังพลวันกัน เขาจึงพยายามที่จะคลำหาพระขึ้นมาอมใหม่แต่เนื่องจากในขณะนั้นเป็นเวลาพรบข้าแล้วเขาจึงไปคว้าเอาลูกเขียดหรือ ก, กบไม่ทราบอมเข้าไปเจ้าสัตว์น้อยตัวนั้นก็เต้นอยู่ในปากฝ่ายคนนั้นคิดว่าพระขลังถึงขนาดเต้นได้ก็มีกําลังใจอย่างยิ่งฟาดฟันกับศัตรูอย่างชนิดเชื่อมั่นว่า ตนเองจะต้องไม่เป็นอะไรเลยซึ่งในที่สุดเขาก็ชนะจริงๆและก็เหนียวจริงๆด้วยเพราะคมดาบของอีกฝ่ายหนึ่งทำอะไรเขาไม่ได้เลยเรื่องที่เล่ามานี้จะจริงเท็จเป็นประการใดไม่สำคัญข้อสำคัญอยู่ที่ตัวอย่างซึ่งเป็นข้อเท็จจริงอยู่อันหนึ่งคือคนที่มีความเชื่อมั่นในตนเองอย่างลึกซึ้ง ดังเช่นในกรณีของคนที่อมพระนั้นย่อมจะต้องมีความกล้าอย่างแน่นอนคนที่มีความกล้าไม่กลัวอันตรายใดๆเลยทั้งที่อยู่กับคมดาบตลอดเวลานั้นขอให้พิจารณาดูสายตาน้ำเสียงท่าทางทุกอย่างจะแสดงให้เห็นถึงความมีอํานาจจิตเหนือคนอื่นและตามตัวอย่างที่กล่าวมานี้ ทั้งที่เป็นศรัทธาในทางที่ผิดแต่เป็นเพราะศรัทธาของเขาแรงกล้ามากเขาจึงได้ประสบกับความสําเร็จแต่ก็ขอให้สังเกตว่าศรัทธาที่ผิดๆนั้นถึงหากจะได้ผลก็เพียงครั้งเดียวเท่านั้นต่อมาภายหลังเมื่อรู้ความจริงแล้วก็ไม่อาจจะเกิดศรัทธาเหมือนเมื่อก่อนได้ ศรัทธาที่จะทำให้เกิดความกล้าจริงๆและยั่งยืนด้วยนั้นตามหลักของพุทธศาสนาจะต้องเป็นความเชื่อในทางที่ถูกและมีเหตุผลด้วยไม่ใช่เชื่ออย่างงมงายซึ่งเมื่อพูดถึงหลักโดยทั่วไปแล้วก็ได้แก่ศรัทธาสีอย่างคือหนึ่งกรรมศรัทธาเชื่อกรรมคือเชื่อว่า คนเราจะได้ดีมีสุขหรือมีทุกอย่างไรเป็นด้วยกรรมของตนไม่ใช่เป็นเพราะโชคลางอำนาจของดวงดาวหรือเหตุบังเอิญ 2. วิปากสัตธาเชื่อวิบากคือเชื่อว่าคนเราเมื่อทำกรรมแล้วจะต้องมีวิบากเกิดขึ้นในสันดาลเสมอทุกครั้งและวิบากนี่แหละ คือตัวการอันยิ่งใหญ่ที่จะสร้างสรร์บันดาลให้คนเราเป็นไปได้ต่างๆตามกฎของกรรมที่ว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วอย่างแน่นอนพระโชคชะตาวาสนาต่างๆก็ดีบุคลิกลักษณะต่างๆที่มีมาตั้งแต่กำเนิดก็ดีสิ่งเหล่านี้เกิดจากวิบากของตน เราจะเกิดหรือไม่เกิดจะเกิดในที่ไหนอย่างไรจะได้พ่อแม่ญาติพี่น้องมิสหายเพื่อนฝูงดีหรือไม่ดีอย่างไรทั้งหมดขึ้นอยู่กับวิบากของตนทั้งสิ้นคนที่เชื่อในเรื่องวิบากจริงๆนั้นเขาจะไม่พูดว่าคนเราเลือกเกิดไม่ได้เพราะความจริงคนเราเลือกที่เกิดไม่ได้ก็จริง แต่การที่ใครจะเกิดเป็นอะไรที่ไหนนานไม่ใช่เรื่องบังเอิญเรื่องบังเอิญไม่มีเพราะเรื่องนี้พระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้แล้วว่ากรรมมโยนี้เรามีกรรมเป็นผู้ให้กำเนิดกรรมมะพันทุเรามีกรรมเป็นพวกพองเพราะฉะนั้นใครจะเกิดเป็นอะไรอยู่ที่ไหน มันเป็นเรื่องของกรรมของแต่ละบุคคลสกรรมมสกตาศัทธาเชื่อว่ามีกรรมเป็นของตนคือเชื่อว่ากรรมอันใดที่คนทำไว้แล้วซึ่งจะเป็นกรรมดีหรือกรรมชั่วก็ต่างทุกอย่างย่อมเป็นของตนทราบสมบัติภายนอกแม้กระทั่งชีวิตร่างกายสิ่งเหล่านี้ หากจะเป็นของตนก็เพียงชั่วคราวเท่านั้นเมื่อตายไปแล้วก็กลายเป็นของคนอื่นส่วนกรรมทุกอย่างที่เราทำไว้นั้นแม้เราจะตายไปแล้วก็ยังเป็นของเราอยู่เพราะกรรมทุกอย่างเมื่อทำลงไปแล้วก็ย่อมก่อให้เกิดวิบากขึ้นในสันดานทุกคลังและวิบากก็คือคุณสมบัติของวิญญาณ คนเราเมื่อตายก็ตายแต่เพียงร่างกายส่วนวิญญาณไม่ได้ตายเพราะวิญญาณยังจะต้องสืบต่อไปอีกฉะนั้นวิบากจึงเป็นสิ่งที่ไม่ตายวิบากจึงยังจะต้องให้ผลต่อไปถึงชาติหน้าและต่อไปทุกๆชาติตราบใดที่วิบากนั้นยังอยู่มันจะต้องให้ผลอย่างแน่นอนไม่วันใดก็วันหนึ่ง เหมือนเมล็ดผลไม้ที่ไม่เน่าไม่เสียวันหนึ่งมันก็จะต้องงอกในเมื่อได้สิ่งแวดล้อมที่เหมาะฉะนั้นจงคิดดูว่าทรัพย์ภายนอกมันอยู่กับเรานานเท่าไหร่วิบากอยู่กับเรานานเท่าไหร่และสิ่งที่จะบันดาลให้เรามีความสุขหรือทุกข์จริงๆนั้นคือทรัพย์ภายนอกหรือวิบากกรรมของตน และอะไรที่จะติดตามเราไปทุกขนทุกแหง่งแม้ตายไปแล้วก็ติดตามไปอีกเพราะเหตุนี้แหละพระพุทธเจ้าจึงตรัสว่าเรามีกรรมเป็นของตน 4. ตถาคตะโพธิสัตธาเชื่อในความตรัสรู้ของพระตถาคตอันนี้เป็นข้อสรุปกล่าวคือ สิ่งใดที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้และทรงสั่งสอนไว้เราเชื่อหมดทุกอย่างอย่างนี้เรียกว่าเราเชื่อในความตรัสรู้ของพระตถ า, าคตนอกจากความเชื่อทั้งสี่อย่างดังที่กล่าวมานี้แล้วยังมีความเชื่ออื่นๆที่จะทำให้คนเรามีความกล้าเช่นเชื่อในพุทธคุณธรรมคุณสังคคุณ เชื่อในคุณค่าของศีลสมาธิปัญญาอย่างนี้เป็นต้นความเชื่อต่างๆเหล่านี้หากผู้ใดมีและมีมากด้วยก็จะปรากฏเห็นได้ชัดว่าเป็นคนกล้าและกล้าในทางที่ถูกที่ควรด้วยเช่นไม่กลัวจนไม่กลัวลำบากไม่กลัวอันตรายไม่กลัวตายจะเข้าไปในสังคมใดหรือที่ประชุมใดก็ไม่ประมา ไม่สะทกสะทานจ ะ, ะเผชิญหน้ากับศัตรูก็ไม่กลัวจะอยู่ในป่าอยู่ในเขาอยู่ในที่เปลี่ยวก็ไม่กลัวแต่ทั้งนี้หมายความว่าต้องไม่ใช่มีแต่ศรัทธาอย่างเดียวจะต้องมีคุณธรรมอื่นๆกล่าวคือศีลภาวุสัจจะวิริยารมพะและปัญญาด้วยจากข้อความที่ยกมาให้ดูเป็นตัวอย่างนี้ จะเห็นว่าผู้ที่จะฝึกฝนตนเองให้มีอำนาจจิตเหนือคนอื่นนั้นประการสําคัญก็คือต้องฝึกฝนให้มีความกล้าและคุณธรรมอันแรกที่จะทำให้กล้าก็คือความเชื่อมั่นในตนเองซึ่งความเชื่อมั่นในตนเองนั้นไม่ใช่มีความหมายแต่เพียงว่าเชื่อว่าตนเองทําได้อะไรทํานองนี้ การที่คนเราจะมีความเชื่อมั่นในตนเองได้อย่างแท้จริงนั้นจะต้องมีความเชื่อที่มีเหตุผลเป็นความเชื่อที่ประกอบไปด้วยปัญญาเป็นความเชื่อที่ถูกต้องตามความเป็นจริงและเป็นไปในทางที่ถูกด้วยขอให้นึกถึงพระหรือผู้ทรงศีลที่ไม่กลัวอะไรเลยและมีอำนาจจิตสูงมาก แล้วเราจะสังเกตเห็นได้ชัดอยู่อย่างหนึ่งคือศรัทธาของท่านแน่วแน่และมั่นคงมากผู้ที่สำเร็จธรรมขั้นสูงก็คือผู้ที่มีอำนาจจิตสูงตัวอย่างเช่นพระอาจารย์ม่านภูริทัตโตท่านเหล่านี้สามารถอยู่ในป่าที่มีสัตว์ร้ายและเอาชนะจิตของสัตว์ได้ทั้งนี้เพราะอะไร ก็ขอให้สังเกตดูตามหลักเวสารัชกรณธรรมตามที่กล่าวมาก็จะเข้าใจถึงเหตุแห่งความกล้าได้อย่างชัดเจนอันหนึง่งเพื่อให้เป็นที่เข้าใจแจ่มแจ้งยิ่งขึ้นถึงคำว่าคนที่มีความกล้าก็คือคนที่มีอมนาจจิตเหนือคนอื่นซึ่งจะทำให้คนอื่นตกอยู่ภายใต้การบงการหรือคำสั่งของตนนั้น ก็ขอให้นึกถึงคำว่ามีจิตกล้าแข็งเราเข้าใจกันดีว่าคนที่มีอำนาจจิตเหนือคนอื่นได้จริงๆนั้นจะต้องเป็นคนที่มีจิตกล้าแข็งซึ่งหมายถึงคนที่ไม่ยอมแพ้ต่อเหตุการณ์หรืออุปสรรคหรือความเจ็บปวดหรือการขัดแย้งใดๆจากคนอื่นพระทุดงที่กำลังเผชิญหน้ากับเสือใหญ่ในป่า คือต่างฝ่ายต่างก็เพ่งมองซึ่งกันและกันแต่แล้วในที่สุดเสือเป็นฝ่ายหลีกหนีไปไม่กล้าแม้แต่จะเข้ามาใกล้ๆซึ่งตัวอย่างเช่นนี้มีจริงๆถ้าพระธุดงค์องค์นั้นจิตไม่กล้าแข็งจริงๆเป็นต้นว่าเกิดความกลัวหรือเกิดความไม่มั่นใจในตัวเองไม่เชื่อในอานาจแห่งคุณธรรมในตัวของท่าน แม้เพียงเล็กน้อยเท่านั้นเสือเป็นต้องกระโดดเข้ามาตะครุบท่านแน่และนี่คือตัวอย่างที่ชี้ให้เห็นอย่างชัดเจนว่าคนที่จะมีอำนาจจิตเหนือคนอื่นได้จริงๆนั้นคุณธรรมที่เด่นชัดอันหนึ่งซึ่งจะต้องมีอย่างมากก็คือความกล้าทำไมจึงจะมีความกล้าได้ถ้าไม่มีความเชื่อมั่นในอะไร อันเป็นที่ยึดเหนี่ยวให้เกิดความกล้าความกล้าจะมีได้หรือคนที่กล้าเดินลุยไฟที่กำลังลุกโชนซึ่งในที่สุดก็เดินผ่านไปได้โดยเท้าไม่พองคนที่กล้าตัดลิ้นโตเองในเวลาเข้าทรงจนลิ้นขาดเลือดไหลโชกแต่แล้วก็กลับสมานแผลได้โดยไม่ต้องใช้ยาอะไรเลยตัวอย่างในทํานองนี้ ล้วนแต่แสดงให้เห็นถึงความกล้าซึ่งเกิดจากความเชื่อมั่นในสิ่งที่เขาเคารพนับถือและความเชื่อที่ว่านี้เป็นไปอย่างลึกซึ้งแน่นแฟ้นปราศจากความสงสัยความระแวงหรือความกลัวใดๆทั้งสิน้นเพราะฉะนั้นคนที่จะได้ชื่อว่ามีอำนาจจิตกล้าแข็งจริงๆนั้น ทุกคนจะต้องมีหลักอันเป็นที่ยึดในทางจิตใจซึ่งแต่ละคนอาจจะไม่เหมือนกันทั้งนี้ก็สุดแล้วแต่ว่าเขาจะได้รับการอบรมมาในลักษณะไหนนับถือลัทธิใดความแตกต่างในเรื่องหลักที่ยึดถือนั่นไม่ใช่เรื่องสำคัญความสำคัญอยู่ที่ว่าหลักอันใด สามารถจะทำให้ตัวเองมีศรัทธาได้อย่างลึกซึ้งและทำให้เกิดความกล้าได้ก็เป็นอันใช้ได้ทั้งนั้นแต่ก็ต้องสังเกตไว้อย่างหนึ่งว่าถ้าหลักอันเป็นที่ตั้งของศรัทธาไม่ใช่เป็นหลักความจริงที่สามารถทดสอบได้และเป็นสิ่งที่ไม่มีคุณค่าเท่าไหร่นานนานไปศรัทธาก็จะเสื่อม แต่ถ้าหลักที่ตนเองยึดถือไน้นานเป็นหลักความจริงที่พิสูจน์ได้และมีคุณค่าสูงมากด้วยศรัทธาก็จะยิ่งนั่นแฟนมากขึ้นและนั่นย่อมหมายถึงอำนาจจิตก็จะยิ่งเพิ่มขึ้นโดยลำดับเพราะเหตุนี้ข้าพเจ้าจึงได้อธิบายให้เห็นว่าความเชื่อที่ถูกต้องและมีคุณค่าสูงด้วยนั้นมีอะไรบ้าง คนที่จะฝึกฝนให้มีอำนาจจิตหลักสำคัญเบื้องต้นก็คือการปลูกฝังศรัทธาที่ถูกต้องและมีคุณค่าซึ่งวิธีการเริ่มต้นของแต่ละคนอาจจะไม่เหมือนกันเพราะการที่จะปลูกฝังศรัทธาให้แต่ละคนนั้นจะต้องเลือกให้ถูกกับอุปนิสัยใจคอและสิ่งแวดล้อมที่เขามีอยู่ขอให้สังเกตว่า คนที่มีอำนาจจิตกล้าแข็งนั้นมีทุกชาติทุกาศาสนาทุกเผ่าแม้กระทั่งในหมู่คนป่าสมัยโบราณก็มีคนที่มีอำนาจจิตกล้าแข็งแต่อย่างไรก็ดีข้าพเจ้าอยากจะให้ข้อสังเกตไว้อีกสตอย่างหนึ่งว่าคนที่จะมีความกล้าหาญชาญชัยมีอำนาจจิตเข้มแข็งนั้นไม่ใช่สักแต่ว่า มีความเชื่อมั่นในอะไรสักอย่างก็ใช้ได้ความจริงไม่ใช่เช่นนี้คนที่จะมีความกล้าจะต้องมีการฝึกหัดด้วยการฝึกหัดเพียงอาวุธในสมัยโบราณซึ่งต้องใช้ดาบหอกอะไรทำนองนี้คนที่ไม่กล้าจริงๆฝึกไม่ได้การรบกันในสมัยโบราณก็เช่นกัน คนที่สามารถเข้าสนามรบได้และรบบ่อยๆได้ชัยชนะบ่อยๆนี่คือวิธีฝึกความกล้าที่ได้ผลแน่นอนคนที่ฝึกความกล้าด้วยการไปนอนในโรงผีในป่าชา้าหรือไปทำพิธีในป่าชา้าอะไรทำนองนี้ก็เป็นวิธีหนึ่งที่จะฝึกให้เกิดความกล้าถ้าเข้าใจหลักต่างๆดังที่กล่าวมานี้ดี ก็คงจะเข้าใจแจ่มแจ้งแล้วว่าทำไมคนที่จะมีอำนาจจิตกล้าแข็งนานจึงจำเป็นจะต้องมีศรัทธาอย่างลึกซึ้ง